และเพื่อสร้างแนวความคิดในทางที่ถูกว่าฤทธิ์นั้นมีจริงเป็นจริงเป็นผลพลอยได้ของการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นอนุภาพของกิจซึ่งได้รับการฝึกฝนดีแล้วซึ่งมีอยู่เหนือสามัญชนเป็นอันมากฤทธิ์นั้นมีประโยชน์เป็นอันมากในการฝึกคนที่สุขยากมีทิฏฐิจัดหรือมีอาสวะหน า, นานแน่นให้คลายลงเสียก่อนเพื่อสะดวกแก่การสอนทำอันละเอียดลุ่มลึกต่อไป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 พระเจ้าประเสริที่โกศนว่าทรัพย์ของคนพานของอัสตบุรุษไม่อำนวยประโยชน์สู่แก่ใครๆรวมทั้งตัวเขาเองด้วยเหมือนสระบกกรณีอันตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมมหาชนก็หาได้อาบได้ดื่มไม่น้านั้นตั้งอยู่อย่างร้ายประโยชน์ส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบารุงตน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 มีน้อยจนไม่เพียงพอกับความจําเป็นของชีวิตแต่มีอยู่จํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้กําหนดขอบเขตแห่งสิ่งที่จําเป็นของตนไว้จึงดูเหมือนว่าอะไรอะไรก็จําเป็นไปหมดกลายเป็นคนกระหายอยู่ตลอดเวลาดังที่พ ร, ระรัตปาละผู้เลิศทางศรัทธาของพระศาสดาได้กล่าวไว้ว่าสัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิไม่อิ่มไม่เบื่อจึงตกเป็นทาตของปัญหา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 เขาทำงานของเขาก็กินของเขาซี่ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าจะทอดขนมเบื้องให้เพียงพอแก่คนในตรอกนี้พัญญาเศรษฐีแสดงความใจกว้างต่อไปโอ้แม่คุณฉันรู้มานานแล้วว่าแม่หน้ารวยทรัพย์ไม่ต้องทําอวดรอกเศรษฐีประชดถ้าอย่างนั้นจะทอดขนมเบื้องให้พอแก่คนทั้งหมดที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงความที่เธอนี้อธัธยาศัยกว้างขวางนะ่ะ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 พัญญาเศรษฐีใช้คนรับใช้หญิงช่วยถือสิ่งขอ ง, งต่างๆขึ้นไปบนปราสาทชั้นที่เจ็ดแล้วไล่คนรับใช้ลงมาเสียเศรษฐีขึ้นไปแล้วปิดประตูใส่กรอนทุกประตูตั้งแต่ประตูแรกเข้าไปพัญญาเศรษฐีเริ่มทอดขนมเบื้องประจุสการ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 แล้วให้นำขนมน้ำนมเนยใสน้ำพึ่งน้ำอ้อยมายังเชตวันวิหารด้วยกำลังฤทธิ์ของเธอวันนี้เราพร้อมด้วยภิกษุสงห้าร้อยจะนั่งคอยทำพัตกิจด้วยขนมนั้นเท่านั้นพระมหาเถระรับพระพุทธบัญชาแล้วได้เดินทางไปสกรานิคมใกล้เมืองราชครึกซึ่งถ้าเดินทางอย่างคนธรรมดาก็จะใช้เวลาแรมเดือนเพราะไกลามากถึงสี่ิบห้าโยชน แต่พระเถระไปด้วยกำลังริ์เพียงครู่เดียวเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้ายืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างแห่งปราสาทชั้นที่เจ็ดเมื่อได้มองไปเห็นพระเถระดวงใจของเศรษฐีสันสัานด้วยความตกใจระคลด้วยความตรณีเขาคิดว่าเราอุตส่าห์มาทอดขนมเบื้องบนปราสาทชั้นที่เจ็ก็เพราะกลัวคนทั้งหลายจะเห็นจะร่วมกินรวมทั้งคนประเภทนี้ด้วย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 ควันที่พระเถระบังหวนออกมาแพ่กระจายครอบคลุมปราสาทของเศรษฐีทั้งหมดเศรษฐีแสบตาเหมือนคนออเข็มมาแทงเศรษฐีไม่กล้าพูดว่าถึงท่านจะให้ไฟลุกโรงขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะกลัวไฟไม่ปราสาทขณะนั้นเขาก็คิดว่าสมณะนี้ทนทานนะักไม่ได้อะไรอะไรแล้วผมไม่ยอมไปเป็นแน่เราควรถวายขนมให้ท่านสักหน่อยหนึ่ง ดึงนีแล้วกล่าวกับพัญญาว่าทอดขนมชิ้นเล็กๆสักชิ้นหนึ่งให้สมณะนี้จะได้ไปเสิทธีพัญญาเศรษฐีหยอดแป้งลงไปนิดเดียวแต่ขนมกลายเป็นชิ้นใหญ่มากขึ้นทุกทีจนเต็มถาดเศรษฐีเห็นดังนั้นคิดว่าชรอยนางจะใส่แป้งมากไปจึงตักแป้งหน่อยหนึ่งด้วยมุมทพัพพีตักเองแล้วยอดลงไปขนมได้กลายเป็นใหญ่กว่าชิ้นก่อนเสียอีก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 พยายามดึงขนมจนเหนื่อโทรมกายความหิวก็หายไปเศรษฐีกล่าวกับพัญญาว่าฉันไม่ต้องตั้งขนมแล้วขอให้แก่สมณะนี้ไปทั้งหมดเถิดพัญญาเศรีถือกระเช้าขนมเข้าไปหาพระเถระเพื่อถวายพระอัครส า, าวกฝ่ายซ้ายผู้เลื่อด้วยฤทธิ์ได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งสองฟังถึงคุณของพระรัตนตรยัยและผลของทานเป็นต้นโดยในดังนี้ นละเชิงหิมาลัยบรัรพดมีแคว้นหนึ่งนามสักยะพระราชาผู้ครองคือพระเจ้าสุโธธนะพระอ克拉มเหสีแห่งพระราชานั้นพระนามสิริมหามายาพระนามประสูตรพระราชโอรสพระนามสิท ธ, ธะพระสิทธถราชกุ ม, มารได้ทรงมีดวงตาคือปัญญามองเห็นทุกข์ของโลกจึงทรงสละโลกีสุขทั้งมวลออกสแสวงหาธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์ เมื่อพระชนมาายุเพียง29พรรษาทรงทําความเพียรอย่างไมย่ย่อท้อทรงทําความเพียรอย่างยอดเยี่ยมอยู่หกปีจนพระชนสาสิหจึงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณต่อจากนั้นอาศัยพระมาหากรุณาอันเปี่ยมอยู่ในพระหฤทัยจึงเที่ยวสั่งสอนเวนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความดีให้ละเว้นความเห็นแก่ตัวหรือสแสวงหาความสุขเฉพาะตนแล้วเบียดผอื่น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 สัตโลกทั้งหลายได้อาศัยพระรัตนาไตรแล้วสามารถดับความเร่าร้อนกระวนกระวายในดวงจิตเสียได้ดูก่นโกสิยะชาวโลกมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสมัวเมาอยู่ในลาบยศสรนเสริญและความสุขเนเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสลาบยศและสรนเสริญนั้นแต่เนเื่องจากสิ่งเหล่านั้นเป็นโลกียธรรมมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ลงท้ายด้วยทุกสัตว์ทั้งหลายผู้มัวเมาอยู่ไม่รู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริงจมอยู่มกมุ่นอยู่เมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปลีนไปตามธรรมดาของสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยเหตุปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เล่าร้อนเหมือนถูกลูกสอนแทงต้องเศร้าโศกเสียใจเพรายรำพันขับแค้นใจดู ก, รก่รโกศิยะอาศัยพระรัตนตรัยแล้วชาวโลกได้คลายความเมาลง กลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัชพัญญะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยปัญญามีปัญญาในการถอนตนออกไม่หมกมุ่นติดอยู่จมอยู่ดูก่นโกศิยะชัดโลกได้รับความเดือดร้อนลำบากเป็นหนักหนาด้วยราคะโทสะและโมหะอันใดเมื่อสามารถทำลายเสียได้ซึ่งราคะโทสะและโมหะอันนั้นชัดโลกก็จะพ้นจากความลาบากยากเข็นปลอดโปร่งเยือกเย็น ไม่มีความขัดแยง้งภายในทั้งนี้ก็ด้วยได้อาศัยคุณพรัตนาไตรเป็นประทีปสองทางดูกร่รโกสิยะบุคคลบางพวกมีความเห็นว่าทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการควบคุมตนเองไม่มีผลดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้ทานแก่คนทั้งหลายเรื่องทานเป็นเรื่องที่คนฉลาดบัญญัติขึ้นเพื่อหลอกคนงโง่การบูชาเป็นความงมงายอย่างร้ยกาศ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 การพูดจาไพเราะอย่างใจของกันและการให้เอิบอาบ1หนึ่งการบำเพนประโยชน์ให้กันหนึ่งและการวางตนเหมาะสมแก่ฐานะของตนของตนหนึ่งพระศาสดาของข้าพเจ้าทรงเรียกว่าฝังคหาวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเปรียบเสมือนเพลาหรือลิ่มสลักยึดเหนี่ยวรถให้ทำงานไปได้แล่นไปได้สู่จุดหมาย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 ธรรมกถาของท่านแจมแจ้งชัดเจนเข้าอกเข้าใจเศรษฐีและปัญญากล่าวปฏิญาณตนถึงพระรัตนาตรัยแล้วน้อมกระเช้าขนมเข้าไปถวายพร้อมกล่าวว่านิมน์ฉัน เ, เทิดเถิดพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายด้วยศรัทธาพระมหาเถระกล่าวว่าท่านเศรษฐีบัดนี้พระาศาสดาพร้อมด้วยพิสุสงห้าร้อยรูปนั่งรอคอยเพื่อฉันขนมของท่านอยู่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 ซึ่งมีปทวีกษินเป็นอารมณ์ย่นแผ่นดินให้ใกล้เข้ามาจึงสามารถถึงนครสาวัดถีได้เพียงครู่เดียวเร็วกว่าเวลาที่ลงจากปราสาทชั้นบนมายังชั้นล่างเศรษฐีและพัญญาเข้าเฝ้าพระาศาสดาน้อมขนมเข้าไปถวายพิสุทั้งหลายทั้งห้าร้อยฉันจนอิ่มหนำขนมก็หาได้หมดไปไม่ให้คนที่อาศัยวัดกินอีกขนมก็ยังไม่หมดยังเหลืออีกมากพระาศาสดารับสั่งให้เจ้าของขนม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 แม้ยังไม่สิมนอสวกิเลสก็ทำได้อีกประการหนึ่งผู้มีทรัพย์มียศมีเกียรติหลงอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรตินั้นสำคัญมั่นหมายว่าโลกคีสุขนี้เท่านั้นคือสุขแท้เป็นสุขที่ตนพึงแสวงหาเมื่ อ, อยังไม่ได้ก็ดิ้นรนแสวงหาอย่างเอาตัวตนชีวิตจิตใจเข้าไปแลกเมื่อได้แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ชั่วเวลาหนึ่งแายก็รานหาความสุขอย่างใหม่ต่อไป แต่ล้วนเป็นความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่นสิ่งอื่นจึงเหมือนสุขของขอทานมีการสแสวงหามากมีปัญหามากส่วนความสุขของพระริยะเจ้าไม่ต้องการมีการสแสวงหามากและไม่มีปัญหาจึงเป็นความสุขที่ประนีต ก, กว่าสงบเยือกเย็นและเป็นไทยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตนเองเป็นอิสระอยู่เหนือการครอบงําของกิเลส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 ได้อาศัยฤทธิ์ของตนช่วยเหลือพระาศาสดาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังพันนานามาชนีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเศรษฐีและพัญญาได้สละทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์แก่ปูชนีบุคคลและสาธารณาชนทั่วไปวันหนึ่งภิสุททั้งหลายนั่งประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนาสรรเสริญคุณของพระมหาโมคลานะว่าไปฝึกเศรษฐีให้เป็นคนดีไม่กระทบกระเทือนศรัทธา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 เป็นดุดแมลงผู้เคล้าเอาเกสรดอกไม้พิชุตทั้งหลายมุนีพึงเข้าสู่ทํานองเดียวกับแมลงผู้ไม่ทำดอกสีและกลิ่นให้ชอกชำ้ำคือเอาแต่รดแล้วบินไปฉะ่นนั้นไม่ทำให้สกุลชอกชำ้ำช่างเป็นพระวาจาที่แสดงความปรานีและหวังประโยชน์ต่อตระกูลเสียนี่กระไรเพราะธรรมดาชาวบ้านชาวเมืองมีความชอกช้าเป็นปกติอยู่แล้ว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 คือคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในปร า, าสาทของวิสาขาฮิคารมานดาในบุพารามนครสาวธีธีวันอุโบสถวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งทํากลางพิสุสงเพื่อทรงแสดงโอวาทปฏิโมกแต่ทรงประทับนั่งเฉยอยู่จนล่วงปฐมยามไปแล้วพระอานุนเทระได้ลุกจากอาสนะกระทำผ้าห่มฉูเียงบา พระของอัญชลีกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วพระธมยามล่วงไปแล้วพิสุสงนั่งรอนานแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงพระปาติโมะแก่พิสุทั้งหลายเถิดเมื่อพระอนุ์กราบทูลดังนี้พระศาสดาก็ยังคงประทับนั่งเฉยอยู่จนล่วงมัชชิมยามพระอนุ์ก็กราบทูลดังนั้นอีก พระตถาคตเจ้าก็คงประทับเฉยจนล่วงปฏิมยามจนอารุณ์รุ่งพระอนุนได้กราบทูลอีกครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตราสว่ า, อ, านอนุนในที่ประชุมสองนีมีภิกษุผู้ไม่บริสุทธ์รวมอยู่ด้วยเพื่อได้ฟังพระพุทธดำรัสเพียงเท่านี้พระมหาโมคลานะได้กำหนดจิตพิจารณาภิกษุสงฆ์ซึ่งร่วมประชุมกันอยู่ณที่นั้นได้เห็นภิกษุรูปหนึ่ง ผููทุศีลมีธทำซสามมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการกระทําซึ่งปกปิดไว้มิใช่สมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะมิใช่พรหมจารีปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจารีเป็นคนเน่าในมีกิลเลสร้ายสรางได้ยากเหมือนกองหยาดเยื่นั่งอยู่ท่ามกลางพิสุสง์พระมหาโมคลานะเข้าไปพูดกับพิสุนั้นว่าลุกขึ้นเถิดอวุโส พระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นท่านแล้วแต่พิสุนั้นคงนั่งเฉยพระมหาโมคลานะพูดดังนั้นถึงสามครั้งพิสุผู้ทุศีลก็ยังคงนั่งเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่เข้าใจพระมหาโมคลานะผู้เลิศทางริษตัดสินใจจับแขนพิสุรูปนั้นกระ่าออกไปทิ้งไว้ที่ภายนอกซุ้มประตูแล้วใส่กรอนปรงอุโบสถแล้วกราบทูลพระศาสดาว่า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 1>, 1. มหาบุรุษลาดลงตามลำดับลึกลงตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดชันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาและการปฏิบัติการบรรลุผลตามลำดับ 2. น้ำในมหาสมุทรย่อมไม่ล้นฝั่งชันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นสาวกของเราย่อมไม่ล่วงสิขาบทที่เราบัญญัติไว้แล้วแม้จะต้องสูญเสียชีวิตก็ตามสมมหาสมุทร ย่อมไม่อยู่กับซากศพย่อมสัตว า, ากศพขึ้นฝั่งโดยเร็วฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นบุคคลใดทุศีนมิธ ร, รมสามสงย่อมไมย่ยอมอยู่ร่วมกับบุคคลเช่นนั้นย่อมประชุมกันขับไล่เสียจากหมู่พิสูผู้ทุศีลเช่นนั้นแม้อยู่ท่ามกลางสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลแม้สงก็ชื่อว่าห่างไกลจากบุคคลเช่นนั้นสมหานถีทั้งหลาย เมื่อไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละนามของตนถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรฉั้นใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นวันณะทั้งหลายอาทิวันนักปัสสัตเมื่อออกบวชแล้วย่อมละนามและโคดเดิมของตนถึงซึ่งการนับว่าเป็นสมณะสักยบุตรเสมอเหมือนกันหมดหสายน้ำจากแหล่งต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรอยู่เสมอแต่ความร่องหรือความเต็มย่อมไม่ปรากฏฉันใด ในธรรมวินัยก็ฉันนั้นแม้จะมีภิกษุเป็นอันมากปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุไปแล้วแต่ความพร่องหรือความเต็มหาปรากฏแก่นิพานธาตุนั้นไม่ 6. มหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็มฉันใดธรรมวินัยก็ฉันนั้นมีรถเดียวคือวิมุตติรถความหลุดพ้นจากอสวกิเลสทังปวงเจ็ดมหาสมุติมีรัตนะเป็นอันมากฉันใด ธรรมวิัยนี้ก็ฉันนั้นมีรัตนคือธรรมเป็นอันมาก 8. มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใหญ่ๆเป็นอันมากฉันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของผู้ใหญ่ๆเป็นอันมากเช่นพระโสดาบันเป็นต้นพิสูจทั้งหลายผู้ทั้งหลายได้เห็นความมหาสจ ร, รั์แห่งมหาสมุทรแปดประการนี้แล้วย่อมอภิรม์ต่อมหาสมุทรนั้นฉันใด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 รู้ก่อนผู้สวงสันติอรุรบถตั้งแต่บัดนั้นมาพระศาสดามิได้ทรงทาอุโบสถสวดปาติโมโร่วมกับพิสุทั้งหลายอีกเลยแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพระปาติโมที่พระศาสดาทรงสวดนั้นหมายถึงพระโอวาทปาติโมคมิใช่พิคุปาติโมโอวาทปาติโมคือพระธรรมอันเป็นหลักสาคัญส่วนพิคุปาติโมคือพระวินัย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 แล้วกราบทูนว่าพระเจ้าข้าหม่อมฉันบริจาคทรัพย์จำนวนมากสร้างวิหารถวายพระองค์และีิสุดสงฆ์ขอได้โปรดเสด็จกลับเถิดพระเจ้าข้าวิสาขาพระศาสดาตรัสอย่างอ่อนโยนธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ควรอยู่ที่เดียวนานเกินไปการไปคราวนี้นานหลายเดือนนางวิสาขาคิดว่าพระศาสดาตรัสดงนี้ คงได้ทรงพิจารณาเห็นใครสักคนหนึ่งผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยสมบัติที่พระองค์ควรจะโปรดเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วกราบทูลว่าถ้ากรณ์นั้นขอพระองค์โปรดรับสั่งให้พิสูรรูปหนึ่งผู้เข้าใจในงานการก่อสร้างอยู่ก่อนเถิดพระเจ้าข่าเธอพอใจให้พิสูรรูปใดอยู่ก็จงรับบาตรของพิสูรรูปนั้นเถิดวิสาขาพระศาสดาตรัสความจริงนางพอใจในพระอานุ์น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 เพื่ออนุเคราะห์วิสาขาด้วยอนุภาพของมหาเถระคนงานที่ไปขนไม้และหินในแดนไกลแม้ตั้งห้าสิบหกสิบยอดก็ขนเอาไม้และหินมาทันในวันนั้นคือไปมาได้ในวันเดียวการยกไม้ยกหินใส่เกวียนก็ไม่ลำบากเพราะเกวียนก็ไม่หักไม่นานเลยก็สร้างปราสาทสองชั้นเสร็จปราสาทนั้นมีหนึ่งพห้องชั้นบนห้าร้อยห้องชั้นล่างห้าร้อยห้อง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 การได้มิตร ด, ดีความชำนาญในวิชาและวิมุตติสัมพิธาวิโมกสาวกบรมีความเป็นพระประเจกพุทธเจ้าและพุทธภูมิเหล่านี้ล้วนสำเร็จด้วยบุญทั้งสิ้นบุญญาสัมปทาคือความร่างพร้อมด้วยบุญมีประโยชน์อันิสงใมากอย่างนี้นักปราชญ์และบัณฑิตทั้งหลายจึงสังเสริญความเป็นผู้มีบุญอันได้สังสมไว้แล้วว่าประเสริฐ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 จึงถามถึงอาการที่ยิ้มพระมหาโมคลานะจึงว่าผู้มีอายุเวลานี้ไม่ใช่การพยากรปัญหาท่านค่อยถามข้าพเจ้าในสำนักพระศ า, ศาสดาเถิดพระเถระทั้งสองเที่ยวบินทบาทในกะะรุงราชคลือได้อาหารพอแก่ความต้องการแล้วฉั น, นะที่อันสะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งแล้วได้เวลาสมควรจึงพากันไปเฝ้าพระศ า, ศาสดาณนะที่นั้นพระลักณะได้ถามพระมหาโมคลานะขึ้นอีก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 เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าผู้ใดไม่เชื่อคำของเราพึ่อเป็นโทษแก่ผู้นั้นดังนี้การมีความเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อความเห็นของพระอริยนั้นเป็นมิจฉาทิฐิก็โทษอันใดเล่าจะร้ายแรงเท่ามิจฉาทิฐิเมื่อพระศาสดาตรัสดังนั้นแล้วพิสุททั้งหลายกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเปรตนั้นได้ทากรรมอะไรไวจึงต้องมาเสวยผลกรรมอันทารุณแสบเผ็ดเห็นป่านนี้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 ซ่อนไว้เดินเตร่อยู่ในบริเวณวิหารทั้งเจดวันก็ไม่ได้โอกาสฆ่าเศรษฐีสายท่านเศรษฐีถวายมหาทานแด่พิสุสงมีพระพุทธองค์เป็นประมุขตลอดเจดวันในวันที่เจ็ดนั่นเองเขาถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์เจ็ครั้งตัดเท้าโคในข้อเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้ง แม้พระคันทุกุฎีที่ถูกเผาไปแล้วก็คงเป็นเจ้าคนนั้นเหมือนกันข้าพระองค์มิได้มีจิตแค้นเคืองในตัวเขาข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทา น, นี้แก่เขาก่อนพระเจ้าค่าโจรได้ยินคำนั้นแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นในใจว่าโอ้เราทำกรรมหนักเสียแล้วเนอสเศรษฐีนี้มิได้มีความแค้นเคืองในเราเลยกลับให้ส่วนบุญแกเราก่อนคนอื่นซิอีก เราคิดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเสียแล้วกรรมของเราหนักไม่สมควรเลยถ้าเราไม่ขอขามาต่อบุคคลผู้เช่นนี้เทวทันถึงตกลงบนกระหม่อมของเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วหมอบลงแทบเท้าของเศรษฐีพลางกล่าวว่าท่านขอท่านได้โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอะไรนี่เศรษฐีถามมีอาการพิศวงเป็นอันมาก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 มกไม่อยู่ในเอเวจีสิ้นกาลนานในการบัดนี้เกิดเป็นอชคราเปรตหรือเปรตซึ่งมีร่างเป็นงูถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิชกูดด้วยเศษวิบา ก, กรรมของมันเองพระบรมศาสดาตรัสต่อไปว่าคนผ่านทํากำชั่วอยู่ย่อมไม่รู้สึกคนข่าวนั้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรำชั่วของตนดุดถูกไฟไหม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 พระมหาโมคลานะและพระลักษณะลุงจากภูเขาคิจกูดเช่นกันพระมหาโมคลาน ะ, ะแสดงอาการยิ้มแย้มทั้งนองเดียวกับที่กล่าวแล้วในเรื่องอชัคคระเปรตณสำนักพระศาสดาพระลักษณะถามขึ้นพระมหาโมคลานะจึงตอบว่าข้าพเจ้าเห็นอหิปเปรตตนหนึ่งมีอัตภาพใหญ่ยาวเป็นอันมากศรีรษะของมันเหมือนศรีรษะมนุษย์แต่อัตภาพอื่นๆของมัน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 ชาวเมืองได้เหยียบย่ำนาของเขาแม้เขาห้ามอยู่บ่อยๆว่าขอพวกท่านอย่าเหยียบนาของข้าพเจ้าก็หาสําเร็จประโยชน์ประการใดไม่ชาวนาผู้นั้นคิดว่าถ้าบรรณาศาลาของพระประเจศพุทธเจ้าไม่พึงมีในที่นี้ไซด์ชนทั้งหลายก็จะไม่เหยียบย่ำนาของเราเขาตกลงใจจะทํากรรมอันน่าหวาเสียวคือการเผาบรรณศาลาเมื่อพระประเจศพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตในเวลาเช้า เขาไปที่บรรณาศาลาทุกมอานน้ำและภาชนะเครื่องใช้แล้วจุดไฟเผาบรรณาศาลาเมื่อกลับจากบินทบาทพระประเจกพุทธเจ้าเห็นไฟไหมบรรณาศาลาอยู่ท่านมีได้มีความเดือดร้อนลีกไปแล้วตามอัธยาศัย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 ดูก่อนท่านผู้เป็นเผาพันแห่งกรรมบุคคลบางคนเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมนั้นยังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจึงชล่าใจทําอีกและทําไปเรื่อยๆเหมือนเด็กน้อยเหยียบฐานไฟที่เท่ากรบไว้เข้าใจว่าไฟไม่ร้อนแต่พอเท่าที่กรบไว้นั้นออกไปสิ้นไปไฟย่อมไหม้เขาให้เล่าร้อนฉันใดบุคคลผู้ทากรรมชั่วก็ฉันเดียวกัน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 แต่เมื่อความดีให้ผลเขาก็เห็นว่ากาดีเป็นความดีอีกคราวหนึ่งเมื่อพระมหาโมคลานะและพระรัคนะลงจากภูเขาคิชกูดพระมหาโมคลานะได้เห็นเปรตซึ่งมีค้อนเหล็กจำนวนมากพระนำลงบนศีรษะ คอนนั้นมีเปลวเพลิงโชช่วงศีรษะของเปรตนั้นเมื่อถูกค้อนเหล็กทำลายแล้วกระปลากฏขึ้นใหม่เพราะแรงแห่งกรรมอันตนเคยทำไว้พระมหาโมคลานะเล่าเรื่องนี้เฉพาะพระพักพระศาสดาพระบรมครูทรงรับรองท่ามกลางพิสุสงว่าเปรตนั้นมีจริงพระองค์เคยทรงเห็นแล้วเหมือนกันที่โพธิมณฑลเมื่อพิสุทั้งหลายทูล ถ, ถามเรื่องบุพกรรมของเปรตนั้นทรงเล่า ว, ว่า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 เขาทำได้ตามประสงค์ของเด็กพวกเด็กชอบใจให้ของเคี้ยวของจิงแก่เขาพอยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งพระราชาแห่งกรุงพราณสีเสด็จประาพาสพระราชอุทยานสเสด็จ่านมาทางนั้นพวกเด็กๆรู้เข้าพาบรุปเปี้ยซ่อนไว้ระหว่างย่านใสแล้วพวกเขารีบหนีไปพระราชาสเสด็จถึงตรงนั้นเวลาที่ยงพอดีทรงพักผ่อนใต้ต้นใส่ย้อย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 ทมชมเชยสีมือดีดกรวดของเขาและตรัสว่าเรามีปุโรหิตคนหนึ่งพูดมากปากกล้าเราพูดคำหนึ่งเขาพูดเสียยืดยาวเราไม่อาจให้เขาหยุดพูดได้เองสามารถหรืมไม่ที่จะดีดมูลแพ้เข้าปากบุโรหิตคนนั้นขณะเขาพูดอยู่กับเราสามารถพระเจ้าข่าบุรุษเปรียดกราบทูลดีแล้วพระราชาตรัสเราจะได้เริ่มในวันพรุ่งนี้พะยาค่ะ ชายพิการถูลรับเออแล้วเอ็งจะให้ทําอย่างไรคือต้องเตรียมอะไรบ้างไม่มีอะไรมากเพียรค่ะขอเพียงมูลแพะหนึ่งธนานแล้วให้กั้นม่านไว้เจาะรู ม, ม่านให้ตรงหน้าปุโรหิตพอมูลแพะผ่านได้ทุกอย่างเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นได้เวลาเข้าเฝ้าปุโรหิตมาเฝ้าพระราชาอย่างเคยพอพระราชาตรัสถามคำหนึ่งเท่านั้นเขาก็เริ่มพูดไม่หยุด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 เรารู้แต่ว่าเวลานี้ท่านกลืนมูลแพะเข้าไปนึ่งทนานแล้วยังไม่หยุดพูดท่านพูดมากเกินไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพรามปุรโรหิตก็กระดาบเก้อเขินกลายเป็นผู้สำรวมพูดน้อยทูลตอบเฉพาะที่พระราชาตรัสถามเท่านั้นพระราชาได้ความสบายพระทยัยสงปปรดโปรง่งหายความอึดอัดลำคาญใจเพราะความพูดมากของปุโรหิต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 ธรรมะมหาอ ม, มาตถผู้นั้นคือใครกันอย่าสงสัยเลยพิสุททั้งหลายเขาผู้นั้นในบัรนี้คือเราสถาคตนี้เอง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 ขอให้รู้จริงและมีความสามารถดีจริงเถิดแต่ต้องมีจรณะสมบัติที่ดีด้วยมิฉนั้นจะเอาตัวไม่รอดครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งในเมืองพารานาสีนั่นเองได้เห็นสมบัติและเกียรติอันบุรุษเปรียยได้แล้วคิดว่าชายผู้นี้พิการอย่างนี้อาศัยศิลปะแห่งการดีดกรดจึงประสบความสาเร็จแห่งชีวิตได้สมบัติใหญ่โตอย่างนี้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 ต่อการไม่นานเลยชายผู้นั้นก็สามารถเรียนศิลปะแห่งการดีดกรวดสำเร็จท่านอาจารย์ข้าพเจ้าประสงค์จะทดลองศิลปะเขาพูดในวันหนึ่งทดลองอย่างไรชายพิการถามจะลองดีดแม่โคหรือมนุษย์ให้ตายไม่ได้สิคุณบรุษเปี้ยบอกท่านฆ่าแม่โคหนึ่งตัวจะถูกปรับถึงหนึ่งร้อยถ้าเป็นมนุษย์ท่านจะถูกปรับถึงหนึ่งัน ท่านพร้อมทั้งบุตรและพัญญาจะไม่สามารถปลื้มหนี้สินจานวนมากนี้ได้ท่านต้องทดลองกับสิ่งที่ไม่มีเจ้าของไม่ต้องถูกปรับชายผู้นั้นเอากรวัวใส่ชายพกเที่ยวไปเห็นแม่โคก็ไม่กล้าดีดเพราะเกรงถูกปรับหนึ่งร้อยเห็นมนุษย์ก็ไม่กล้าดีดเพราะเกรงถูกปรับหนึ่งพันวันนั้นพระปัจเจก พ, พุทธเจ้าองค์หนึ่งนามสุเนตต ออกจากบรรณศาลาเข้าไปบินทบาทในพระนรครกำลังยืนอยู่ที่ประตูเมืองบุรุษผู้นั้นเห็นพระประเกตพุทธเจ้าแล้วคิดว่าคนผู้นี้ไม่มีเจกของไม่มีมารดาบิดาเราควรทดลองศิลปะกับคนผู้นี้ดังนี้แล้วจึงดีดก้อนกรวดไปหมายเอาช่องหูเบื้องขวาของพระประเกพุทธเจ้าก้อนกรวดทะลุออกช่องหูเบื้องซ้ายทุกขเวทนาแสนสาหัส ได้เกิดขึ้นแก่พระปัจเจพุทธเจ้าท่านไม่อาจเที่ยวสแสวงหาพิกษาได้จึงกลับสู่บรรณาศาลาทั้งอากาศปรินิพานแล้วพวกมนุษย์ผู้เคยถวายพิษาแก่ท่านเป็นประจำเมื่อไม่เห็นท่านมาจึงคิดว่าความไม่ผาสุกใไรๆไรคงมีแก่ท่านเป็นแน่นอนจึงชวนกันไปยังบรรณศาลาเห็นท่านนอนนิพพานอยู่ไม่อาจกลั้นความโศกได้พากันคร่ำครวญ ฝายบรุษใจชั่วผู้นั้นเห็นมหาชนไปยังบรรณาศาลาไม่ขาดสายจึงติดตามไปเห็นพระประเกพุทธเจ้าแล้วจำได้เล่าให้มหาชนฟังว่าเขาเป็นผู้ดีดกรวดเข้าช่องหูของท่านผู้นี้เพื่อทดลองวิชาของตนมหาชนได้ทราบดังนั้นจึงลงประชารนจนบรุษนั้นสิ้นชีวิตไปบังเกิดในอเวจีมหารกมกไม่อยู่ในอเวจีนั้น เป็นเวลานา น, านสมแก่กรรมของตนด้วยผลแห่งกรรมที่ยังเหลือทําให้เขาเบังเกิดเป็นสัติกุฏตเพรถูกค์อนเหล็กวิเพลิงติดทั่วแล้วกระนาลงบนศรีรษะอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันพระสกเยมุนีทรงเล่าเรื่องบุพกรรมของสติกุฏตเพรจบแล้วตรัสสรุปพระธรรมเทศนาว่าพิสุทธ์ทั้งหลายความรู้เกิดขึ้นแก่คนผ่าน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 สมัยนั้นพิสุประมาณห้าร้อยรูปมีพระสารีบุตรและพระโมคขลานะเป็นหัวหน้าไปถึงจาตุมคามเพื่อเฝ้าผู้มีพระภาคพิสุอคันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับพิษุเจ้าถิน่นจับเสนาสนะเก็บบาทและกิวอนมีเสียงดังพระผู้มีพระภาคตรักเรียบพระอานนท์มาถามว่าดูก่อนอนท์ผู้ที่เสียงดังนั้นเป็นใครเรากับชาวประมงแย่งปลากัน พระอนุ์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสุประมาณห้าร้อยนั้นมีพระสาริบุตรและพระโมฆลลานะเป็นหัวหน้ามาถึงเจตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค พ, พิสุเหล่านั้นปราศัยกับพิสุเจ้าถิน่นจัดเสนาสนะมีเสียงดังดูก่อนอนุ์ถ้าเช่นนั้นเธอทจลไปเรียกพวกพิสุมาตามคำขอของเราพระอนุ์ทูลรับคำ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 พิสุเหล่านั้นรับคำพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาแล้วพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงชื่มชมกับพิสุสงเถดขอจงรับสั่งกับพิสุสงเถดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาค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 หรือเปรียบเหมือนเมื่อลูกโคอ่อนไม่เห็นแม่จะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปลไปฉันใดพิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรปลี่นไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงชื่นชมกับพิสูจน์สงเถิดขอจงรับสั่งกับพิสูจน์สงขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์พิสูจน์สงเหมือนที่พระองค์ทรงอนุเคราะห์พิสูจน์สงในการก่อนเถิด ครั้งนั้นท้าสหัมบดีพรมทราบพระพุทธดำริแห่งพระทัยของพระผู้มีพระภาคจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏตรงพระพักของพระพุทธองค์แล้วประนมอัญชลีกราบทูนวิงวอนให้พระผู้มีพระภาคสงรับสั่งกับพระพิสุสงโดยเปรียบด้วยเข้ากล้าอ่อนและเปรียบพระพิสุสงทั้งหลายด้วยลูกโคอ่อนเช่นเดียวกับที่เจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาได้เปรียบแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยในคําบิงบอลของเจ้าสักยะและเท้าสหัมบดีพรหมที่สุสงทั้งหลายจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรากถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเมื่อเราประนามที่สุสงแล้วเธอมีความรู้สึกอย่างไรพระสารีบุตรกราบทูลว่าบันนี้พระผู้มีพระภาคทรงไม่โปรดความวุ่นวาย มีความขวนขวายน้อยแม้เราทั้งหลายก็ควรปฏิบัติเช่นนั้นสารีบุตรเธออย่าคิดอย่างนั้นแล้วพระองค์ตรัสถามพระโมคคัลลานะในคําถามเดียวกันพระโมคคัลลานะปราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคไม่โปรดความวุ่นวายทรงมีความขวนขวายน้อยข้าพระองค์และท่านสารีบุตรควรช่วยกันปกครองพิสุสง์ในบัดนี้ พระผู้มีพระภาคต ร, รัสว่าดีละโมฆลลานะความจริงเราหรือสาริบุหรือโมฆลลานะท่านั้นเพิ่งปกครองพิสุสงฆ์แล้วพระองค์ได้ต ร, รัสเรียกพิสุทั้งหลายมาต ร, รัสว่า ดูก่อนพิสูทั้งหลายเมื่อบุคคลกำลังลงน้ำจะมีภัยสี่อย่างคือภัยเพราะคลื่นภัยเพราะตะเค่ภัยเพราะน้ำวนภัยเพราะตาร้ายบุคคลในโลกนี้ก็ฉันนั้นเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัยพึงหวังได้ว่าจะพบภัยทั้งสี่นี้ภัยเพราะคลื่นเป็นชั้นใดคำว่าภัยเพราะคลื่นนี้หมายถึงความคับใจด้วยความโกรธ เมื่อกุลบุตรในโลกมีศรัทธาออกบวชเป็นบนรรพชิตเพื่อนพรมจารย์ทั้งหลายย่อมกล่าวตักเตือนสั่งสอนกุลบุตรนั้นให้ก้าวเดินหรือถอยกลับอย่างไรสรงสังขติบาทและจีวร อ, อย่างไรกุลบุตรผู้บวชใหม่ก็รู้สึกรำาคาญคับใจบอกคืนสิกขาสึกไปคำว่าภัยและคลื่นเป็นเช่นนี้ภัยเพราะจระเขเป็นฉไฉน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 ภัเพราะน้ำวนเป็นไฉนหมายถึงกามคุณทั้งห้าเมื่อกุลบุตรออกบวชเข้าไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่ดำรงสติเห็นคฤหอบดีหรือบุตรคฤหบดีเป็นผู้อิ่มเอิบบำเรอด้วยกามคุณทั้งห้าจึมีความคิดกลับสู่เพศคฤหัดบอกลาศิกขาเรากล่าวภัยนี้ว่าเหมือนภัยจากน้ำวน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 อดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ที่เกียร์ทำตามหนึ่งเพลิดเพลินทะยานอยากได้สุ่งยิ่งขึ้นไปหนึ่งมีความกำนังรักไข่ในหญิงหนึ่งภายทั้งสี่ประการนี่แหละอย่างใดอย่างหนึ่งคอยเบียดเบียนคุกคามย่ำยีภิกษุสามเณรอยู่เนืองนิด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 คราวหนึ่งพวกเดียรถีคือนักบวชลทัทธิอื่นประชุมกันปรารบกันว่าบัดนี้ลาบสการะของพวกเราเสื่อมลงไปมากแต่ลาบสการะเจริญขึ้นแก่พระสมณโคดมและสาวกทั้งทั้งหลายทราบหรือว่าเป็นเพราะเหตุใดคนหนึ่งในที่ประชุมนั้นกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าทราบสาเหตุนี้คือสาวกรูปหนึ่งของพระสมณโคดมชื่อมหาโมคลานะ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 ประสานกระดูกด้วยเครื่องประสานคือฌานกล่าวคือเข้าฌานแล้วอธิษฐานให้อัตภาพของตนเรียบร้อยเป็นปกติดังเดิมแล้วหอบไปสู่สำนักพระศาสดาซึ่งเวลานั้นพระทับอยู่ณเวรุวันนครราชฤทิ์ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นดวงตาของโลกบัรนี้ถึงเวลาที่ข้าพระองค์จะนิพพานแล้ว ข้าพระองค์ขอทูลลาปรินิพานพระเจ้าข่าทรงสดับถ้อยคํากราบทูลลาของพระอัครสาวกอย่างสงบอย่างผู้รู้เจียนจบในความเป็นไปทั้งปวงแล้วตรัสถามอย่างอ่อนโยนว่าโมคคลานะจะไปนิพพานที่ไหนที่ตำบนกาลสิลาพระเจ้าข่าทรงดุษณีอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสว่าโมคคลานะเราปรารถนาฟังธรรมจากเธอ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 ข่าวเรื่องการนิพพานของพระมหาโมคคลานะกระชอนไปทั่วชมพูทวีปและรู้กันทั่วไปว่าพวกโจรเป็นผู้ฆ่าพระมหาเถระเสียแล้วพระเจ้าอัชาติสตรูราชาแห่งแคว้นมคฏทรงให้ราชบุรุษตามจับโจรพวกนั้นมาลงโทษให้ได้วันหนึ่งพวกโจรนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในร้านสุราหแห่งหนึ่งพอเมากันเต็มที่ก็ลืมตัวเห็นความชั่วเป็นสิ่งที่ตนพึงอวด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 รวมกับพวกโจรที่ร่วมมือกันฆ่าพระเถระเมื่อจับได้แล้วรับสั่งให้นำไปฝังในหลุมลึกประมาณสะดือของแต่ละคนที่พระรานหลวงให้กรกด้วยฟางและเชื้อไฟอย่างอื่นแล้วจุดไฟเผาเมื่อเห็นว่าพวกนั้นถูไฟไหม้แล้วจึงรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็กทําให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยรับสั่งให้เอาโจรสี่คนเทียบเลาประจานไว้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 รู้ก่อนท่านผู้แกรงภัยในวัดตักความหลงผิดทําให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ขณะมารดาบิดาคร่ํำครวญถึงความปลอดภัยของเขาอยู่นั่นเองเขาได้นําภัยมาสู่ท่านทั้งสองโดยมิได้ประวันพรั่นถึงบาปกรรมและไม่สะทือนใจในเสียงคร่ําครวญของท่านเรื่องนี้ควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดุดจิตอย่างยิ่งเรื่องหนึ่ง